เอาถามว่าพระองค์จะตรัสการบําเพ็ญคุณมีศีลเป็นต้นซึ่งมีลาภเป็นิมิตไว้อย่างไรเอาแล้วสูตรนี้พระองค์ว่าไงอ่ะแต่คํานั้นพระองค์ตรัสไว้ด้วยอํานาจอัธยาศัยของบุคคลนะที่พูดเมื่อกี้ว่าขอเราพึงได้จีวลบินทบัาเสนาสะานะและกีฬาณะปัจจัยเภสัตบริขาเรเถิดอย่างนี้เนี่ยซึ่งมีอธิบายว่าภิกษุเหล่าใดพึงมีอัธยาศัยอย่างนี้ว่าคือบางองค์คิดอย่างนี้ขึ้นนะ ถ้าหากว่าเราไม่ต้องลำบากด้วยปัจจัยสี่ไซเราอาจเพื่อจะทํานศะีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ได้นี่ที่เราอาจจะรักษาศีลไม่ได้เพราะปัจจัยสีเราไม่ค่อยบริบูรณ์ว่า ง, งั้นเถอะพระองค์ก็รู้อัธยาศัยนะพระองค์ก็ตรัสไปเลยว่า ง, งั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้อย่างนี้ด้วยสา ม, มารถอัธยาศัยของชนทั้งหลายเหล่านั้นคนก็บอกโอ้ยผมจะรักษาศีลได้ยังไงว่า ง, งั้นเถะ สมมติยกตัวอย่างเช่นศิขาบทเกี่ยวกับเรื่องรับรูปิยะเนี่ยนะรับกะหาปัญะรับเงินรับทองเป็นต้นเนี่ยเอยผมจะรักษาวินัยข้อนี้ได้ยังไงผมจะต้องลงรถจะต้องขึ้นเออจะต้องลงเรือใช่เนาะแล้วขึ้นรถจะลงรถขึ้นเรือนี่แลชักกลับม้วกลับพังหมดแล้วเออถ้าผมจะต้องลงเรือจะต้องขึ้นรถอ่ะรถเขาบอกว่าเยอะท่านรถผมเติมน้ํามันนะว่าไ ง, งาบางทีนี่มตนให้ลงเลยเนาะรถผมกินน้ํามันนะเขาว่าไง มีมีรถซ้ายหนึ่งนะมีพระขึ้นไปบอกว่าเอออาตมาไม่มีตังนะ้าไม่ได้รับตังมาเดี๋ยวท่านไปลงข้างหน้าก็แล้วกันรถผมเนี่ยใส่น้ำมันมนไม่ได้ใส่น้ำเชิญลงจริงๆเลยมบางคันก็บอกว่าเอา้าไม่มีก็จะมาทำไมอ่ะก็ไปสวดอยู่วัดซะสิงถ้าหากว่าเป็นอยางีงผมจะรักษาศีลได้ยังไง อา้าถ้าผมป่วยไปหาหมอหมอเาก็ยาเขาก็ซื้อหามานะไม่ได้ผลิตขึ้นเองเหมือนกันแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยคล้ายแบบลักษณะนี้นะจะรักษาศีลมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้ารักษาศีลดีๆนะเพราะมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายนำสิ่งของที่ตนเก็บไว้ในช้างเป็นต้นออกมาทั้งบุตรและภรรยาเป็นต้นก็ไม่ให้ทั้งตนเองก็มิได้ใช้ซ้อย แต่มอบถวายแก่ท่านผู้มีศีล น, นะนะคำดังกล่าวมานี้ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงอนิสงส์ที่แท้จริงของศีลไม่ต้องห่วงปัญหาเหล่านั้นถ้าท่านรักษาศีลดีๆจริงๆอะ่ะก็มีคนช่วยเหลือหมดแหละยกตัวอย่างขนาดว่าเขาคารว่าทั้งหลายเนี่ยนะเขาเอาข้าวของที่เขาเก็บมาอย่างดีออกมาจากยุ่งจากช้างตัวเองก็ยังไม่ให้กินลูกภรรยาก็ไม่ให้กินเอาไปถวายคนมีศีลก่อนนะ พูดอย่างนี้ยิ่งเห็นชัดในหน้ากุติยรรมมาเนี่ ย, ย, ต, าานนยตรงที่ล้างบาตรมีอยู่ต้นลินจีนะอยู่ต้นหนึ่งลินจีครับ ก, การก็บอกว่าโอ้เขาก็คิดนะเขามาดูไม้มั่นเขาไว้หลายครั้งละเขาก็เก็บนะเขาเอาไปถวายเขาก็ว่าเขาไม่ได้ชิมเลยครับว่าเอามาถวายก่อนเสร็จแล้วก็อามาถวายเสร็จเขาก็เหลือเขาชิมโอ้เตี่ยวจี๊ดเลยเขาก็คือให้เห็นว่าเขายังไม่ได้กินเลยนะเขายังเอามาถวายก่อน แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดียวนะผลไม้อีกตั้งหลายเรื่องอะ่ะแล้วก็เออเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขนาดเขายังไม่ได้ชิมเลยอะ่ะโดยที่สุดแม้แต่ชิมยังไม่ได้เลยว่ารสชานเป็นยังไงเอามาถวายก่อนอล่างนั้นเถอะเพราะเขาปรา ร, รบเพื่อที่จะถวายแกนคนมีผู้มีศีลเป็นต้นอะนะคือที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอาตมามีศีลดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พูดถึงเล่า ว, ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีศีลจริงๆอะ่ะอย่าไปหนักใจเลยในเรื่องปัจจัยศีในเรื่องของจีวรเป็นต้นอะ่ะ เพราะขนาดเขาเองเขายังไม่กินเลยเขาจะหาผู้มีศีลเพื่อที่จะทําบุญกรังแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดือดร้อนเรื่องปัจใจศีกก็รักษาศีลดีๆแบบนั้นถ้ายังไงพระองค์าศาสนาของพระองค์พระองค์ไม่ให้บุตรของพระองค์เดือดร้อนรอ ง, งอย่าโยมบนรถก็ไม่ออให้มันเลยวันนั้นสงสัยอกุศลพระทําทมาไม่ค่อยดีแตว่าเราต้องเรียนเรื่องกรรมด้วยนะ บ่ขนาดว่าเป็นพระแล้วก็ยังไม่ให้ขึ้นรถแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ต้องห่วงหรอกชาตินั้นท่านคงทุกข์หนักแน่นะไม่ใช่พ ร, พ, ร พ, รพระนี่น่าจะหนักกว่านั้นอ่างนั้นเถอะคือคนเราเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าโหคนคนนี้บวชแล้วมาทุกมายากอย่างนั้นอย่างนี้นะขนาดบวชแล้วเขายังทุกขนาดนี้นะเขาอยู่เพศอื่นก็ทุกกว่านี้หลายสิบเท่านะเพราะอะไรเพราะว่าขนาดเขามีศีลดีแล้วอกุศนวิบากมันยังให้ผลเลยอะ คนอื่นเขายังไม่เคารพไม่ยำเกรงอ่ะขนาดเอาธงชัยของพระอรหันต์มาหมแล้วคนยังไม่นับถือเลยเนี่ยนะถ้าห่มสีเดียวกันกับเขาเขาจะทำยังไงแล้วก็ต้องคิดดูด้วยนะ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็น่าคิดอย่างหนึ่งว่าแล้วเราอ่ะเคยเห็นพระเนี่ยเคยถวายค่ารถพระสักกี่ครั้งอะ mm ่ะ hmm. เคยทําเหตุไว้หรือเปล่าไม่ได้ทําเหตุไว้แหมมาบวชปป๊บหนึ่งแหมจะเอาอันนี้ส่โอยอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทวิปัญจะเกิดจากผลของกรรมนะ วันก่อนในคุณลุงบอกว่าไปตีตัวให้พระ อ, อนุมโมทนาด้วยนะเดี๋ยวบวชมาจะเป็นไหนจะได้สะดวกสะดวกไห น, น <c oughs> <c oughs> อันอันนี้สงข้อต่อไปเลยนะว่าดูกนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิาณะปัจจัยเศสัชบริขารของเทวดาและมนุษย์เหล่าใด สการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงมากดังนี้ภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตของตนไม่ทำชานให้เฮินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในอาการอยู่ในสุญญาคัะนนะะ่บทว่าเตสันเตกาลาความว่าสการะคือการถวายปัจจัยเหล่านั้นเทวดาหรือมนุษย์ได้ทาแล้วในตัวเรา จรงอยู่เทวดาทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยแก่ท่านผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นจะมีเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้เห็นไหมคือคนที่ทําบุญจริงๆเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะที่ทําบุญแม้แต่เทวดาก็ก็ทําบุญอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท้าสักกะเนี่ยลงมาใส่บาตรพระมหากระสปะเนี่ยนะแล้วก็โหหาอุบายหน้าดูเลยกว่าจะได้ใส่บาตรได้เนี่ยว่าต้องปลอมตัวเป็นช่างหูผู้เท่าไงั้น ตั้งปลอมตัวนางสุชาดาก็เป็นหญิงเท่านะปลอมตัวเป็นช่างหู ก, กันมาเพื่อที่จะนิรมิตถนนซอยนั้นให้เป็นบ้านช่างหูกให้พระเดินมาได้ไต่บาทเพราะว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติจะรับเฉพาะของคนทุกข์เท่านั้นที่มีศรัทธานะคนร่นรวยไม่ให้ใ ส, ส, ส่หรอกนะสาวสการนี่วางแผนหน้าดูเลยเพื่อที่จะใส่เออมีศีลขนาดนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคําว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าอย่างเลียวและชื่อว่ามีศีลใช่ไหมศีลคืออะไร นะทบทวนนะเจตนาศีลเป็นต้นนะนะต้องแม่นแนหน่อยนะถ้ามีเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลอวีติกรมะศีลเนี่ยนะศีลเหล่านี้เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระถ้าได้ศีลระดับโลกุตระแล้วก็สบายเหมือนเทวดาก็ต้องการสายบาสด้วยนั่นแหล ะ, ะคำว่ามหัพลหพลามห า, ม า, มหา น, นิสังสารมหัพ น, นี่มหาพลาผลมากมหานิสังสาอนิสงแปลว่าอะไรนะี่ น, นิสง์แปลว่ากําไร ก็คือถ้าเขาทำบุญแล้วเขาจะได้ผลมากได้กำไรเยอะนะเจอที่ไหนบอกว่าอา น, นิสง์แปลว่าอะไรแปลว่ากำไรฟังกันโดยเนื้อความแล้วมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นมหพาพรามมหานิสังสามีผลมากเมียนิสงส์มากนะสการะที่ชื่อว่ามีผลมากเพราะผลิตโลกิยสศุขอย่างมากมายให้นะผล ก, ก็คือหูทำอย่างเช่นมหากุศลดวงที่หนึ่งที่เขาวานลงไป ซึ่งมีผู้ที่มีคุณธรรมเป็นต้นเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยกนะุศลเจตนาอ น, นันเนี่ยสา ม, มารถให้ผลได้16ดวงใช่ไหมเออมากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะถ้ามีกำลังจริงๆสา ม, มารถให้ผลได้16ดวงคือให้ผลเป็นทวิปัญจหดวงก่อนคือให้ผลเป็นอหตตกาคุศลวิบาห้าดวงเออแดดวงให้ผลเป็นมหาวิบากอีก8ดดวงได้ เพราะฉะนั้นมหากุสลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเขามีกําลังมากเขาให้ผลได้สิบหกดวงสิบหกดวงแล้วไม่ใช่ให้ขณะเดียวนะให้เป็นทั้งชาติเลยก็ได้ให้หลายๆขณะเลยเพราะฉะนั้นมหากุศลอันนั้นเนี่ยมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากเนี่ยเขาบอกว่าคําว่ามีอ น, นิสงฆ์มากเพราะเป็นปัจจัยของโลกุตตรสุขอย่างใหญ่หลวงว่างั้นเถอะถ้าหากว่าเขาทําบุญแล้วอ่ะ บุญที่เขาหวานลงไปในนาบุญเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเหตุแห่งโลกกุตรสุขอธิบายว่าทั พ, พะภะิกษาคือข้าวทัพพีเดียวก็ดีบรรณสาลาคือกุติเนี่ยนะที่พื้นดินยาวประมาณห้าศอกก็ดีที่บุคคลทำถวายแก่ท่านผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมรักษาเขาไว้ได้จากทุคติวินิบาตเป็นเวลาหลายแสนกับ นะทำบุญกับผู้มีศีลอย่างเีเนี่ยไม่ไปอบายเป็นกลับเลยว่างั้นในบ้านปลายังเป็นปัจจัยแห่งการดับรอบด้วยอมตะธาตุเนนะ่เป็นปัจจัยแห่งอนุปาธาปริญนิพานด้วยนะก็ในเรื่องนี้มีเรื่องเป็นต้นว่าเราได้ถวายน้ำนมและข้าวสุกเป็นต้นหรือมีคัมภีร์เปตวัตถุวิมานตวัตถุทั้งมวลเป็นเครื่องสาทก อ๋อ น, นะเขาบอกว่าถวายน้ํานมถวายข้าวสุกเป็นต้นแล้วเป็นเหตุให้ท่านบรรลุมรรคผลในพานีาน่ก็ดูจากคำภีร์อปทานเล่ม70เล่ม71เล่ม72็ดสิบสองเนี่ยนะคำพีอปทานเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของกรรมและผลของกรรมโดยตรงเลยนะว่าทำํำพระอรหันตเถระพระอรหันตเถรีอุบาสกอุบาสิกา ท, ที่ที่มีคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยท่านทําเหตุอะไรมาคือไม่ได้ทำแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแหนละ โอ้ยเกิดมาอะไรจะฉลาดอายุ7จ็ขวบเป็นพระโสดาบันเหมือนกับนางวิสาขาใช่ไหมแหมเจขวบบรรลุเป็นพระโสดาบันง่ายๆนะใครมามาง่า ย, ายขนาดนั้นก็น่าจะมีโรงเรียนรับเด็ก7จ็ขวบเพื่อให้เป็นโสดาบันให้หมดเลยนะใช่มเพราะสมัยก่อนปอนหนึ่งรับเขวบใช่ไหมอันนี้มีอนุบาลเลยท่านี้ก็ตั้งอนุบาลให้บรรลุตั้งกันเล็กตั้งกัะน้อยเลยถ้าไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยโอ้ยเห็นภาพเนี่ยเด็กวิ่งนี้หมดนะ แต่คนมีบุญก็โหชอบไหว้พระนะชอบกราบพระเด็กบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วก็กราบไหว้ให้ไหว้ก็ไหว้ให้กราบก็กรา บ, ราบนนเนี่ยนั่นแหละเด็กบางคนเนี่ยโอ้ยทำไม่ดูกว่าแล้วจับมือให้แล้วร้องอะ่ะหนีไปที่อื่นไม่ยอมทอําอ่ะอันนั้นเต้นลำบากเหมือนกันนั้นทำมีอุปนิสัยว่า ง, งั้นแทะแม้แต่ว่าการทําบุญกับผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับประวัติของพระรูปหนึ่งใช่ไหมพระที่มีกายเปลือยเน่าเรียกว่าพระปูติคัตะ อดีตชาติของท่านเกิดเป็นนายพรานนกอะ่ะทีนีเเ้เขาจับนกอะ่ะถ้าเขาจับนกได้เนี่ยสมัยก่อนไอ้เครื่องกรงดักเป็นต้นอาจจะไม่ค่อยทันสมัยนะแกจับนกได้เยอะทีนี้แกยังไม่อยากฆ่าหรอกเอาไว้ฆ่าพรุ่งนี้ก็มาหักปีกหักขาก่อนไม่ให้มันบินได้หรือถ้าสมัยนี้นะถ้าได้กบเนี่ยนะชาบ้านนอกทั่วไปเนี่ยเอเอาไว้ในกระแป้งเล็กๆอะ่ะไม่ให้มันกระโดดได้ทําไง หักขาสิของอาหมานี่หักประจําเลรอย่างนี้ไปหัขาหักเนี่ยปกติแน่วันหนังขาถ้าขาหักจะไม่รู้สึกเสียใจเลยนะหักไว้ไม่ใช่สิบตัวแน่เป็นร้อยอ่ะหักเยอะจริงๆเลยดังนั้นถ้าไอ้เหตุที่หักขาไว้เนี่ยแหละทําเป็นปัจจัยอ่ะท่านหักขานกหักปีกนกแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นพระประเจกท่านก็ใส่บาตไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาพระคุณเจ้ารู้ทําได้หโยมรู้ทํานั้นด้วยว่างั้นเถอะ แต่แต่สมัยนี้ก็พระพุทธเจ้ารู้ทำใดให้เรารู้ทำนั้นด้วยนะอย่าไปตั้งเรียร่าไหนๆอันเสร็จแล้วก็ท่านก็ทําบุญครั้งเดียวนั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้ชาติหลังท่านบรรลุเป็นพระอรหันนะชาติหลังมาท่านบรรลุเป็นพระอรหรันแต่ว่าก่อนที่จะเป็นพระอรหรัน์ก็ทุลักทุเลน่าดูเหมากันป่วยชนิดที่ว่าไม่มีหมอดูแลเลยอ่ะนะกลิ่นคาวคราครุ่งนอนเกอะนอนกางอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นฝีเป็นน้องมันท่วมตัวหมดอ่ะ จนพระพุทธเจ้าต้องไปไปช่วยนะพระองค์เนี่ยไปเช็ดไปนุไปเช็ดไปช่วยเหลือพานนเนี่ยไปต้มน้าไปช่วยกันยกช่วยกันเช็ดช่วยกันถูนะให้ให้ร่างกายมันสบายแล้วพระองค์ก็แสดงใช่ไหมอาจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสสสติจุดโทเปตวิญ ญ, ญาณโนนิรทั้งวกระลิงคารังนะรากว่าร่างกายนี้อีกไม่นอนเนอจักท่วมทับซึ่งแผ่นดินนะไปเหมือนกับไปแช่งอะนะเอ้ยไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็ท่วมทับซึ่งแผ่นดินนะั่นแหละ เพราะว่าบุคคลเมื่อวิญญาณปราดไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่ยังอยู่เนี่ยเพราะจิตเท่านั้นนะถ้าจิตนี้ดับไปกายอันนี้ก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะถ้าท่อนฟืนเขายังช่วยไปหุงข้าวต้มแกงได้นะไอ้ท่อนศพเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะเอาไปติดลุกเป็นไฟก็ยากหมดทานเป็นกระสอบนะ่กว่าจะนี้ได้แต่สมัยนี้เขายังช่วนยนายหมอก็ยังรับเอาไปวิจัยเลยนะสมไยก่อนก็เผาทิ้งโยนทิ้งอย่างเดียวงั้น เป็นอาหารของแรงของกาเป็นต้นนะข่าของกิง ก, ก็เป็นอย่างนั้นแหละพระองค์นี้ก็ฟังแล้วก็บรรลุเป็นผ้าอาหารางั้นนั้นก็ปรินิพา น, นนั้นก็อาศัยจากเงือนนกเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองก็อาชีพเป็นอาชีพเป็นนายพรานเนี่ยนะก็ให้ทานกับผู้มีศีลตั้งความหวังเพื่อบรรลุนิพานอ่ะที่จริงบางคนเนี่ยเขาทำเหตุแบบนั้นอยู่ไม่ใช่เขาชอบนะอ น, น, นอย่างอย่างไร้แห่งที่เราไปเนี่ย ชาวบ้านเช่ามาเข้าหาปลาหาปลาเสร็จแล้วคือมันเป็นอาชีพของเขาเขาเลิกไม่ได้เขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวของเขาอะ่ะบางคนเนี่ยลูกเป็นกรอบเพงนะงั้นแต่มันก็ต้องทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้เขาจะเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงลูกนะแต่ไปซื้อว่าห้าบาทนี่ไม่รู้เอาที่ไหนมาจา่ายเพราะฉะนั้นเออย่างงี้มันก็ดีก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมหาปลาในน้ำไงเขาก็าพอทําได้พอทําได้ส่วนหนึ่งเขาแบ่งไปทําบุญ แต่เขาทำบุญเนี่ยนะสุทินังวัตเมทานังอาสวาคยาวหางังนิพานังโหติโหตูวะงั้นทานที่กัปเจ้าได้ให้นี้ให้ดีแล้วหนอขอทานอันนี้จงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะเถอะเขาตั้งความปรารถนาแบบนี้เลยนะ ถ, ถามว่าเขาชอบไหมที่เขาทําเขาไม่ชอบหรอกแต่เขาก็ยังมีศรัทธาตั้งความปรารถนาว่าขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ด้วยเถอะแต่ขณะนั้นเขายังละไม่ได้ เพราะนันะ้นอดีตชาติเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าโหคนมันจะบริสุทธิ์มา ก, กันหมดไม่ใช่นะบางคนก็เคยอดีตชาติเป็นนายพรานเคยเกิดเป็นพรานนกพรานเนื้อพรญโสชาเนี่ยอดีตเคยเป็นโจรด้วยซ้าไปกลุ่มพรญโสชานะเคยเกิดเป็นโจร น, นะพระพระองค์ุลิมานเป็นต้นก็ไม่ได้มีประวัติดิบดีอะไรมามากไนนะรนะโมคขาลานะอดีตชาติเนี่ยแม้แต่บิดามารดาก็ยังทุบยังฆ่าเลยว่าไง เพราะฉะนั้นในอดีตชาติเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในภายหลังก็ไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มาเต็มร้อยจริงๆนะแต่ว่าไอ้บุญที่เขาทํามันก็เป็นบุญละบาปที่ทําก็เป็นบาปแต่ทีนี้ถ้าผู้มีศีลมีคุณธรรมถึงเขาเป็นคนบาปจริงถ้าเขามีศรัทธาในท่านเหล่านั้นในผู้ที่มีศีลอย่างนี้เขาก็ตั้งความปรารถนาะไอ้ความปรารถนาของเขาที่เกิดหลังจากที่เขาให้ทานนั่นเนี่ย ความปรารถนาอ น, นันต์ทำให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภิกษุแม้ปรารถนาที่จะให้ความที่สการะที่ผู้ถวายปัใจจัยในตนมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเนี่ยพึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั่นแหลคืออย่างอย่างเช่นพระภิกษุบางรูปเนี่ยนะไปเห็นพวกคารวะเป็นต้นโอ้ยน่าเห็นใจน่าสงสารไปหมดเน จะช่วยเหลือเขาอย่างไงดีนะจะอะไรยังไงดีก็บอกพ่อองค์ก็พูดมานะบอกถ้าอยากจะช่วยเขาจริงๆอยากจะสงเคราะห์เขาจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปช่วยงานอะไรเขารอกไม่ต้องไปช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอะไรเขารอกนี่มาทำศีลให้ดีๆให้มากๆรักษากุศลให้ให้ดีๆแบบนี้นี่ข้าวของต่างๆแม้กระทั่งสกการะเขายกมือไหว้ก็ยังมีผลมากเมีย น, นิสงมากใช่ไหมถ้าหากว่าเห็นผู้มีศีลเข้ามาใกล้เห็นนะ ก็ทําให้มีศรัทธาก่อนเมื่อมีศรัทธาก็ทําให้เกิดการเชื้อเชิญการลุกรับนะนะลุกรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะถวายข้าวถวายนา้ํามีการยกมือไหว้นะแล้วก็ได้ฟังธรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งกุศลทั้งนั้นเลยนับตั้งแต่มีศรัทธาเชื้อเชิญลุกรับอภิวาทอันนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงใช่ไหมการให้ทานกับผู้มีศีลนั้นเป็นเหตุแห่งโภคะการฟังธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุแห่ง ญญอันถ้าเรามีศีลดีมีทํางานไม่ต้องกลัวจะช่วยเขาได้จริงๆเขาใส่เข้าทับพีเดียวก็มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากอันอบางท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองผิดไปก็เลยโอ้โหอยากจะทําสังคมสงเคราะห์แล้วก็ยอมเสียศีนเสียธรรมของตัวเองอาศัยความสงสารสงสารอย่างเดียวไม่พอนะกรุณาอย่างเดียวไม่พอจะต้องประกอบไปด้วยศีลสุสตะจ่าค่าปัญญามีคุณธรรมอื่นๆเข้ามาประกอบอีกด้วย นะถ้าหากว่ามีใจคิดจะช่วยเหลือเขาอีกอันนี้สองหนึ่งนะว่าดูก่านพิกูุนทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าญาตและสาโลหิตของเราเหล่าใดล่วงรับทมกาละไปแล้วมีใจเลื่อมใสระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีา น, นิสงมากเถิดดังนี้ที่ส่นนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนการอยู่ในศูนย์ยาคาันเนี่ยนะ ถ้าหากว่าญาติที่ใกล้จะตายเนี่ยแค่คิดถึงเราเขาก็ไปสวรรค์ได้หรือว่าตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเขาระลึกถึงเราเขาก็ได้ผลมากอา น, นิสงส์มากปัญหาอันนี้ถ้าท่านมีศีลสบายมากวลังั่นเด็กแก้ปัญหาแม้กระทั่งญาติที่ตายไปแล้วได้ถ้ามีศีลดีมีธรรมงามนะคือพระพิสุบางรูปเนี่ยโอ้ญาติของเราล่วงรับดับชีวิตไปแล้วนี่เราจะช่วยเขาได้ยังไงถ้าเขาไปไม่ดีเป็นต้นนี้จะช่วยเขายังไงบอกวิธีจะช่วยเขาตัวเองก็นี่แหละ รักษาศีลให้ดีเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่แหละเพิ่มพูนสุญยาคารญาติเหล่านั้นถ้าเขานึกถึงเราถ้าใกล้จะตายเขามีเราเป็นอารมณ์เขาก็ไปดีนั่นแหละนะถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วอยู่ในภพที่ใหม่ดีเขาตามระลึกถึงเราเป็นต้นอันนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาสังเกตดูนะปัญหาคนอื่นส่วนใหญ่มันแก้ที่เราทั้งนั้นเลยนะศีลแก้ที่ใครแก้ที่เราทั้งนั้นเลยถ้าเราดีสักอย่างก็สา ม, มารถที่จะช่วยคนอื่นได้ นะส่วนอ น, นิสงข์ข้อต่อไปนั้นคงจะเป็นวันหลังๆต่อไปอีกนะกล่าวถึงอ น, นิสงฆ์ของการรักษาศีล